คนเวลาพยายามเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตของตัวมักจะบ่นว่ามันทำยากจริงๆจะว่าแต่การเอามาใช้กับชีวิตของตัวนะเพียงแค่การฝึกเนี่ยเช่นฝึกสติเนี่ยก็มักจะมีเสียงบ่นว่ามันยากมันยากบางคนเป็นคนเจ้าอารมณ์ที่โกรธ เขากบอกว่าเนี่ยเวลาจะควบคุมความโกลันี่มันยากที่จริงเนี่ยที่บอกว่ายากว่ายากเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคืออย่างน้อยเนี่ยก็พยายามอย่างน้อยก็ปฏิบัติคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าฟังอย่างเดียวนะก็เอามาปฏิบัติเอามาทดลองใช้อันนี้ก็ถือว่าดีกว่าคนที่ ไม่ได้เอามาใช้เลยคนที่ไม่ได้ามาใช้นี่เขาจะไม่บอกเลยนะว่ามันยากเพราะว่าเ้าไม่ได้เอามาใช้ตั้งแต่แรกแล้วก็ธรรมดานะพอเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกว่ายากเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นของใหม่เวลาเราทำอะไรเนี่ยที่มันเป็นเรื่องใหม่เนี่ย มันยากเสมออย่างคนที่เรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาคมัมเนหรือภาษาบาลีเนี่ยทุกคนก็ใหม่ๆก็ส่วมันยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวยากรณ์เรื่องคําศัพท์ หรือว่าขีดเขียนไม่ใช่เฉพาะเด็กนะเวลาเขียนกอไก่ขอไข่ใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นตัวผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเดี๋ยวว่าถ้าเขียนภาษาที่ไม่คุ้นเคยเอาเลยนะเช่นภาษาจีนหรือว่า ภาษาอาหรับเนี่ยไม่หมายมันยากแต่พอเรียนไปเรียนไปฝึกไปฝึกไปในคำคำว่ายากก็หายไปที่เนี่ยว่าแต่ภาษาเลยนะขับรถเนี่ยสราตมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าขับไม่เป็นและถ้าจะลองขับนี่ มันก็รู้สึกยากเคยลองขี่ลองขับมอเตอร์ไซค์นะ mm hmm. เมื่อนะสมัยเป็นคาราวาร่าเนี่ยแปลว่าทำได้ไม่ถึงไหนก็เลิกนะเพราะความรู้สึกว่ามันยากแต่พวกเราก็รู้นะคนที่ขับรถเป็นเนี่ยรู้ว่าเนี่ยถ้าขับไปฝึกไปเรื่อยๆมันไม่มีคำ ว, ว่ายากแล้วมันกลายเป็นง่ายไปซนะแล้ว หลายคนที่ขับรถเป็นนี่บอกว่าขับรถมันง่ายแต่สาตนมานี่มันยากแลเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องเรียนเรื่องใหม่ๆเยอะเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์นะโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ย โ, โหกว่าจะปลุกปั้มกับมันไดน้ตรงใช้มันเป็นนี่มันก็ใช้เวลานานใหม่ๆก็ยาก เาจะมาจำได้เลยนะตอนที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันพื้นฐานมากเลยนะโปรแกรมเรียกโปรแกรมรากวิถีนะโปรแกรมรากวิถีหรือไม่ก็โปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือโปรแกรมจุฬาซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะมันเป็นโปรแกรมที่ งามาเมื่อเทีกับปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นนี่โอ้โสื่อมันยากเหลือเกินยังไม่ต้องพูดถึงว่าพิมพ์ดีนะนะคนที่พิมพ์ดีไม่เป็นไม่คล่องเนี่จะรู้สึกมันยากอาตมาเนี่ยพิมพ์ดีเรียนพิมพ์ดีแป้นปัตโชอคล่องเลยนะพอเรียนมาตั้งแต่มศหนึ่งะจนถึงมศ ส, สมเนี่ยคล่องเลยเพราะว่าเรียนที่โรงเรียน พูดถึงแป้นประโชนนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักเพราะว่าที่ใช้กันในส่วนใหญ่เป็นแป้นเกตมั น, นีบางคนไม่รู้นะว่ามันมีแป้นสองแป้นแป้นสองประเภทเพราะว่าคุณนแคุ้นแต่ไอแป้นที่ชื่อว่าเกตมั น, นีแป้นที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่คือแป้นเกตมั น, นีแต่มาตอนที่เปลี่ยนจาก แป้นปัตตโชตมาเรียนเกตมณี น, นี่โอ้มันยากเลือนแต่ก็รู้ว่าธรรมดาทําไปทําไปเดี๋ยวก็คล่องเองแล้วมัก็คล่องนะถึงแม้จะไม่คล่องเท่ากับพิมพ์แป้นปัตตโชดเพราะฉะนั้นคําว่ายากเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใจเลยนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาษา มันก็มันก็ยากทางนั้นนะตอนที่เราเริ่มแต่พอทำไปทำไปมันก็จะคุ้นมันคล่องพอคล่องแล้วมันก็เริ่มง่ายเป็นแต่ว่าเรื่องของใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะประสบผลสำเร็จได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เหมือนขับรถเนี่ยพอเราขับไปขับไปเราก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องขึ้นวลาเราพิมพ์ดีเนี่ย ถ้าเรามีชั่วโมงการพิมพ์มากขึ้นเราก็จะพิมพ์ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นคือว่ามันมีความก้าวหน้าเป็นเป็นเส้นตรงนที่ค่อยๆ่ยทยานขึ้นทยานขึ้นแต่เรื่องของใจนี่มันมันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนั้นบางวันก็ทำได้ดีบางวันก็ทำได้ไม่ดีแต่คําว่าดีหรือไม่ดีนี่มันก็มีปัญหาในตัวมันเองนะเพราะว่าดี ในพระเข้าใจของเราคือว่ามันสงบไม่ดีคือไม่สงบคือฟุ้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นกับดักของนักปฏิบัตินะเพราะเวลาใจมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจเพราะส่วนมันไม่ดีจริงๆไงใจที่ฟุ้งเนี่ยมันมันให้อะไรดีๆกับเราเยอะเลยในแง่ของการปฏิบัติเพราะว่ามันทำให้เรานะมี มีโอกาสได้เรียนระู้เกี่ยวกับใจของเรามากขึ้นถ้าใจสงบไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเลยในโ อ, อการที่เราจะมีความฉลาดรู้ท่าทานความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยแต่ถ้าว่าเร า, าเจอความฟุง้งเจออารมณ์หงุดหงิดบ้างขุ่นมัวบ้าง หรือแม้ทั้งความโกรธเนี่ยมันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นและพอเรารู้จักความหงุดหงิดความโกรธรู้จักสภาวะลักษณะอาการของมันรู้ว่ามันทำอะไรกับร่างกายของเราเช่นลมหายใจหัวใจกล้ามเนื้อซึ่งหลายคนไม่เคยสังเกตนะเวลาโกรธเนี่ย มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างไรกับร่างกายไม่ค่อยสังเกตแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วลองสังเกตดูเราก็จะรู้จักกายที่สัมพันธ์กับใจหรืออารมณ์มากขึ้นถ้าไม่โกรธเนี่ย ม, ม, นน ม, มันไม่เห็นนะไม่โกรธมไม่เห็นนะว่าลมหายใจมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรปอดเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรแต่พอมันโกรธ หรือมันเครียดเนี่ย เ, เห็นเลยเห็นแล้วมันก็เกิดความรู้เกิดประสบการณ์เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็กลับมาดูกายกลับมาเห็นกายแค่เห็นเฉยเฉยเนี่ยเห็นอาการของกายเฉยเฉลมหายใจที่ถี่สั้นหรือว่ากล้ามเนื้อที่เกรง็งมือที่เกรง็งหัวใจที่เต้นเร็วอ่าเราก็ได้มีโอกาสที่จะ เกิดสติขึ้นมารือว่าทำให้อารมณ์พวกนี้มันเบาบางลงเพราะนั้นเนี่ยจะว่าสงบดีไม่สงบไม่ดีหรือว่าฟุ้งไม่ดีอันนี้มันก็ไม่ถูกนมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากอาการที่เกิดขึ้นนะกับใจของตัวเองอย่างไรเฮ้ยสำคัญนะมันเรียนมันทำให้เราได้เรียนรู้ การฝึกรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไอ้ถ้าใจสงบเนี่ยนะจะให้เรียนรู้นะว่ารู้ซื่อๆเป็นยังไงเนี่ยมันทำไม่ได้นะจะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันต้องเกิดเมื่อมันมีความคิดมันมีอารมณ์ทั้งบวกและลบทั้งดีใจทั้งเสียใจ ทั้งพอใจทั้งไม่พอใจทั้งยินดีทั้งยินร้ายในการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่ผักใสไม่ไหลาตามหรือรู้โดยที่ไม่ตามไม่ตามเนี่ยอันนี้มันสาคัญมากทีเดียวแล้วเราจะมีทักษะมีความสามารถในการรู้ซื่อๆได้เนี่ยมันก็ต้องอนุญาตหรือยอมให้มันมีความคิดและอารมณ์ ต่างๆเกิดขึ้นทั้งบวกและลบแล้วเวลามันมีอารมณ์ที่เป็นลบเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรให้ใจเป็นกลางไม่รู้สึกลบกับมันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยจากของจริงเนี่ยมันทำไม่ได้นะแค่ฟังเอาแล้วบอกว่าทำใจเป็นกลางรู้สื้ๆแค่ฟังเอาแค่จะยินเอานี่มัน มันไม่มีทางทำได้เนจนกว่าเราจะเจอของจริงแล้วเราก็ฝึกจากของจริงซึ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็พลาดท่าเสียทีไม่สามารถจะรู้ซื่อได้เช่นพอมีความโกรธขึ้นก็ผักสายมันหรือไม่ก็ไหลาตามมันถูกมันครอบงำจมเข้าไปในอารมณ์มันก็เมื่อคนว่ายน้ำใหม่ๆ คนว่ายน้ำใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางเลยนะที่จะไม่สำลักน้ำยังไงก็จมน้ำแต่พอเราว่ายน้ำเป็นนะเฮเราก็สามารถจะอยู่เหนือน้ำได้สามารถใช้ประโยชน์ของน้ำเนี่ยพยุงเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะเคลื่อนย้ายนะไปที่ต่างๆได้จากจุดหนึ่งไปจากจุดหนึ่ง น้ำที่มันเคยทำให้เราสำลักนะหรือว่าจมเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวพยุงให้เราสามารถจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะเรารู้วิธีเพราะเราว่ายน้านเป็นอารมณ์พวกนี้ก็เหมือนกันนะหม่เนี่ยมันก็เล่นงานเรามันทำให้เรามอนก็สสำลักสำลักอารมณ์หรือจมอยู่ในอารมณ์แต่พอเรารู้วิธี ดูมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันโอ้เรากลับได้ประโยชน์จากมันนะเพราะมันก็จะสอนเราให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นดับไปเห็นมันมาแล้วก็ไปต่อไปก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นตุ้นเป็นก้อนมันเป็นแค่กระแส เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องเพียงแตมันเกิดดับทีมากนะจนกระทั่งดูเหมือนว่ามันเป็นเป็นตุ้นเป็นก้อนมันก็เหมือนกับจุดเนี่ยถ้าจุดจุดเล็กๆเนี่ยถ้ามันอยู่ติดติดกันดูบนเผลิมก็เป็นเส้นตรงนะจุดถ้ามันอยู่ติดติดกันนะันมันก็เป็นเส้นตรงนะ แต่ที่จริงมันไม่ใช่เส้นตรงนะมันไอเส้นเนี่ยที่เราเห็นมันเป็นยืดยาวที่จริงมันก็เกิดจากจุดเล็กๆมาเรียงติดกันอารมณ์ที่มันเกิดดับเกิดดับนี่ก็เหมือนกันนะความคิดมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นดุ้นเป็นก้อนมันเป็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วต่อไปก็ยังเห็นต่อไปว่าเนี่ยเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ย ความคิดนั้นมันไม่ใช่เราแต่ก่อนนี้ไปเผยยึดว่ามันเป็นเราเป็นเราอารมณ์ก็เหมือนกันนะไปยึดว่าเป็นเราพอโกรธก็เราโกรธพอฟุ้งก็เราฟุ้งพอทุกข์ก็เราทุกข์มันมีเราเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเลยแต่พอเรารู้จักนะดูมันหรือรู้สู้ เราก็เห็นเลยนะว่าเออมันไ ม, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นบรรทัยขั้นแรกนะของการที่เราจะเห็นสิ่งอื่นๆนะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่แรกก็เห็นอารมณ์ต่อไปสิ่งภายนอกข้าวของผู้คน มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าความคิดลอารมณ์นี่เรายังไม่เห็นนะว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยรวมทั้งเห็นไปกระทั่งว่าเนี่ยกายเรามันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใชของเราไอก uhh. ารที่จะเห็นสิ่งภายนอกว่ามันไม่ใช่เราไ ม, ไม่ใช่ของเราหรือเห็นเป็นอนัตตามก็ยากและเราเห็นได้เข้าใจเรื่องอนัตตาได้ก็เพราะจากความคิดและอา ร, อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ แต่ทั้งหมดนี่นต้องทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆในการทำบ่อยๆในเรื่องสําคัญต้องทําซ้ําๆปัญญาจึงจะเกิดสติจึงจะเข้มแข็งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษนะมันเป็นเรื่องของการฝึกซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามมี อาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งนะสอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยอาจารย์โยนิโอโยนิเอวิชิอิแกไม่จบปริญญาตรีที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าความรู้เยอะมากเยอะเพราะเรื่องภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาเลียนภาษาโบราณเช่นบาลีสันสกฤตไม่ต้องพูดถึงภาษาไทย ภาษาเทวนาครีนี่ก็รู้เยอะคนก็บอกว่าแกเป็นอัจฉริยะด้านภาษาแกบอกเปล่าเลยนะแกเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเป็นคนที่ขยันแลวความขยันอย่างนี้ขยันเปิดพจนานุกรมคํานึงเนี่ยภาษาต่างประเทศคำหนึ่งเนี่ยกว่าจะจำได้นี่ก็ต้องเปิดแล้วเปิดอีก พอไม่ชอบเนี่ย จ, จำได้ง่ายแล้วอาจารย์ยยนิเอร์ก็เปรียบเทียบนะการเรียนภาษาเนี่ยก็เหมือนการตักน้ำด้วยกระชอนให้มันเต็มแก้วนะกระชอนเนี่ยเราคงนึกภาพออกนะพอเราตักเนี่ยน้ำก็จะซึมไหลออกไปหมดเลยมันก็จะเหลือแค่หยดสองหยดติดก้นกระชอนกว่า จะตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วเนี่ยคิดดูมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่การที่คนเราจะจําภาษาต่างประเทศได้เนี่ยอาจารย์โยเนิออก็เปลี่ ย, วยวนวิธการตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วต้องอาศัยความเพียรซึ่งจริงจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรมนะต้องเดินโยงกลมซ้ําไปซ้ํามาสร้างจังหวะไม่รู้กี่ พันกี่หมืนเที่ยวหรือว่าตามลมหายใจไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ได้แค่สติเทเลนิตเทเลนิตเทละขณะเทละขณะได้ความรู้สึกตัวเทละขณะเทละขณะไม่ตาจากการเติมน้ําด้วยกระชอนกว่ามันจะเต็มแก้วนี่มันจะใช้เวลานา น, านเท่าไหร่การจํา ภาษาต่างประเทศได้มันก็เป็นเรื่องของสตินะแต่ามันเป็นสติสา ม, มัญแต่สติที่เราพูดถึงในการภาวนาเนี่ยมันเป็นสัมมา ส, สติแต่ว่ามันก็อาศัยหลักการเดียวกันคือต้องทำซ้ำๆน้าซ้าๆไม่แต่จากการเติมน้ำนะด้วยกระชอยให้เต็มแก้วนั้นก็หลักก็มาคือความเพียรความพยายามการทำซ้ำๆ ซึ่งจะทำซ้ำๆได้เนี่ยมันต้องมันต้องมีอย่างนึงก็คือการมีฉันทะความชอบความชอบที่ได้ทำไม่ใช่ทำด้วยความจำใจนะถ้าทำด้วยความชอบนะแล้วก็รู้หลักมันก็มีความขยันพูดถึงความขยันเนี่ยหลวงพ่ อ, อเขียนเมื่อเช้ า, าท่ทานก็เทศนนะวันเนี้ย สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันทิฏฐธรรมิกถะเนี่ยมันก็มีหลักใหญ่ๆอยู่ 3-4 ข้ อ, อที่หนึ่งคืออุตสานสัมปทาคือการรู้จักขยันในการหารักขาสัมปทาขยันในการหรือถึงพร้อมในการรักษาให้การจรลสติซึ่งเป็นอริยทรัพย์นี่ก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทรัพย์ธรรมดาที่เราใช้หลักนี้ ขยันในการหรือถึงพร้อมในการหาและขยันหรือถึงพร้อมในการรักษาสติก็เหมือนกันนะเป็นอริยทรัพย์ที่ใช้หลักเดียวกันต้องขยันในการหาในการสะสมหาไม่ได้แล้วต้องรักษาด้วยอย่างเช่นเวลาเราเดินเดินจงกรมหรือว่าเจริญสติในรูปแบบนี้อันนี้คือการเติมสติ ให้กับใจแต่ว่าพอเราพักหรือว่าเราเลิกปฏิบัติในรูปแบบเรามาใช้ชีวิตตามปกติออกจากการเดินจงกรมออกจากลูกจากอสนะกับกุตติไปอาบน้ำไปกวาดที่พัก ทำแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเจริญสติทำ ง, งานรู้สึกตัวไปด้วยตรงนี้แหละที่เราเป็นเรื่องการรักษาพราอถ้าเราหามาได้สะสมมาได้เยอะแยะแต่เราไม่รักษามันก็สติก็โลนไหลไปหมดนะเช่นพอเราเลิกปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็หันไปพูดไปคุยกับคนเปิดโทรศัพท์มือถือปล่อยใจไหลไปตามข้อความอันนี้ก็ทําให้สติที่รักษาอาไว้มัน ล่วไหลหายไปหมดแต่ถ้าเราพยายามมีสตินะในชีวิตประจาวันที่เราว่ามีสตินอกรูปแบบก็เท่ากับว่าไอ้ที่หามาเรารักษาเอาไว้ได้หรือเหมือนกับเราเติมน้ำในตุ่มนะเติมน้ำในตุ่มเติมน้ำในโงค์แต่องค์นั้นเนี่ยถ้ามันเราปล่อยให้มันมีการล่วซึมเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม แต่ถ้าเรารักษามันเอาไว้นะคอยฉาบคอยคอยดูแลไม่ให้มันรั่วมันซึมแม้เราจะเติมใส่ได้น้อยแต่ว่ามันก็ไม่รั่วซึมหายไปถึงเวลาวันรุกขึ้นมาเติมน้ำใหม่ถึงแม้จะได้น้อยแต่ถ้ามันไม่รั่วซึมไหลไปไม่กี่วันมันก็เต็มดีกว่า เ, เพร่ๆว่าเติมน้ำเข้าไปเต็มที่เลยเกิดมาเต็มโอค์อยู่แล้ว แต่ปล่อยให้หน้ำมันรั่วซึมหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มให้การเจริญสติก็เหมือนกันนะในขณะที่เรามีความเพียรในการปฏิบัติโดยเพพาะการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยก็ถือว่ามีความขยันมีความถึงพร้อมในการหาแต่ว่าเราก็ต้องมีความขยันฉลาดถึงพร้อมในการรักษาด้วยนั่นคือการเจริญสติใน ชีพประจำวันโดยไม่อาศัยรูปแบบจะเป็นการตื่นนอนจะเป็นการอาบน้ำถูฟันการกินข้าวการซักผ้าหรือว่าการละเว้นละเว้นเช่นการละเว้นพูดคุยคลุกคีหรือว่าละเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เรียกว่าเป็นอารักขาสัมปทาซึ่งจะทำให้สติเราเติบโต ได้เร็วหรือว่าผู้อยางนีคือว่าน้ามันเต็มแก้วได้เร็วนะงี่แม้ว่าจะตักมาด้วยกระชอนทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็ตามและยิ่งที่เรามีกัลยาณมิตรด้วยเนี่ยกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่สำคัญเฉพาะสิ่งที่ว่าการสร้าง ส, า, งสามบัญยญัติซั์หรือว่าการสร้างศัพ์าตามหลักทิฏฐธมิกฐนะานนั่นเท่านั้นนะอริยซัก็ต้องอาศัย กิยานนนทมิที่ช่วยกันส่งเสริมให้เราทำความเพียรที่ช่วยกันส่งเสริมให้เรามีฉันทะในการปฏิบัตนะิไม่ใช่พาเราเขวชวนคุยนะพาคุกคีแต่ว่ากลับส่งเสริมให้เรามีความเพียรเช่นทำเป็นแบบอย่างให้เราดูนะเพื่อนทำเราก็เกิดกำลังใจที่จะทำนะหรือว่าละอายใจที่จะไม่ทำ หลายใจที่จะไปทำเหยาะแหย่เนี่ยเพื่อนนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นนะนี่ว่กากลแกณมิตรเนี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าไกลแกนนมิตรเป็นท่างหมดของพรห ม, มจันทร์อันนี้มันสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยเพราะการปฏิบัติธรรมการสะสมอริยสัพท์นะนั่นถ้าเราทำไปเรื่อยๆยทําไปเรื่อยๆยมันจะไม่มีคําว่ายากความว่ายากมันก็จะ จเลือนหายไปนะมันมีแต่ได้ว่าทําให้มันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ว่าราบรื่นหรือขรุขรกไม่ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าสงบหรือฟุง้งนะมันก็กลายเป็นของดีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกสติสร้างปัญญาของเรา